ตายไปก็ไม่ผิดหวังจะไปสู่ที่ดีที่ปรารถนาได้ถ้าจิตไม่เคยทีนี้พิจารณาเอาเลยาความดีเป็นอย่างไรปล่อยเห้วันเดือน ป, ปีหมดไปหมดไปถึงเวลาตายมาก็ไม่ทราบว่าจะไปตกทุกข์ได้ยากลาบากอาณาถาอย่างไรเพราใจไม่เคยสะสมคุณงามความดีเอาไว้แบบนั้นผิดหวังเหมือนกันกับตาบอด ยิงสอนไม่ทราบว่ามันจะไปสู่ทิศทางใดที่มันจะไปโดนเอานกเอาสิ่งที่ปรารถนานั้นมันแสนยากเพราะตามันไม่เห็นว่าสัตว์นั่นนั้นมันอยู่จุดใดทางใดพอที่จะยิงไปถูกนี่คนที่มืดบอดไม่ได้พี่นี่พี่เจ้าไม่ได้ส้ำระกายใจของตัวไม่ได้สะสมบุญกุศลก็ทำนองเดียว ก, กัน การเกิดการตายจึงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับใจของผู้ทุชนสําสำหรับใจของคนที่มืดบอดแต่ไม่เป็นปัญหาอะไรสำหรับใจของผู้ที่ฝึกหัดภาวนาผู้ที่ปฏิบัติรักษาจิตใจของตัวตายเมื่อไรก็พร้อมที่จะไปสู่จุดหมายตายทางที่ดีที่ชอบได้ การฝึกปฏิบัติภาวนาจึงเป็นเรื่องสำคัญควรจะกระทำบำเพ็ญให้เห็นให้รู้ในจิตในใจของตัวการให้ทานคามจริงไม่ว่าตั้งแต่มนุษย์สัตว์มันก็อให้เป็นเช่นพวกนกพวกมดมันขนเอาอาหารของมัน ไปสู่รูของมันสู่รังของมันมันก็แบ่งลูกแบ่งพักพวกมันอยู่มันกินได้การให้ทานจึงเป็นของที่ทำได้ทั่วไปไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์พอทำได้แต่การรักษาศีลสัตว์ไม่เคยปฏิบัติไม่เคยบําเพ็ญมนุษย์เท่านั้นที่จะทำได้ ศีลจึงเป็นเรื่องสูงขึ้นไปกว่าเรื่องท้องทานควรที่จะรักษาควรที่จะฝึกหัดปฏิบัติิีลก็คือการรักษากายวายจารกายวายจานี้เป็นอะไรจึงจะต้องรักษาเพราะกายวายจาของพวกเราที่มีกิเลสจันหานั้นมันสามารถที่จะทําไปในสิ่งที่เสียหายพูดไปในสิ่งที่ ไม่ชอบท่านจึงแนะนสอนให้มีศีล ร, รักษาเอาไว้กายก็จะต้องประพติให้มันึุจริตมาจาก็ต้องผูดให้มันึุจริตเรามีชีวิตพอจะรักษาได้ศีลจึงไม่จะอยู่กับพระกับวัดกับครูกับอาจารย์อยู่กับตัวของเราถ้ามีเจตนาจะงดเว้น ไม่ทำชั่วทำเสียไม่พูดชั่วพูดเสียพูดในทางสุดจริตทำในทางสุดจริตก็ได้ชื่อว่าเราเป็นผู้ที่มีศีลพอมีเกียรตินาจะรักษาถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาเราจะอดทนได้หรือไม่นั่นแหละเป็นตัวสำคัญที่ว่าศีลจะมั่นคงหรือเพียงมือถือ าปากถือศีลเวลาไม่มีอะไรมาก็ทำถ่าถือศีลเหมือเวลามีอะไรเข้ามาก็รักษาไม่ได้อย่างเสือเท่าจำศีลนิทานขันต่าวไว้มีเสือใหญ่เสือเท่าตัวหนึง่ง <c oughs> คืออายุแก่เรี่ยวรแรงกำลังที่จะไปทำมาหาจินมันก็ไม่ทันกับสัตว์อื่นเพราะอายุแก่แล้วร่างกายมันไม่แข็งแรงเหมือนก่อน ก่อเลยทาท่าไปจำศีลอยู่ในถ้าคอยวันตายวันหนึ่งเกิดนกกระทากับกระตา่าทะเลาะกันเสือ <c> เ <oughs> <c oughs> ถาตัวนั้นมาก่อนจำศีนมาเป็นเวลานานพอสมควรจนสามารถสั์อยู่ในแถวนั้นเข้าใจว่าเสือตัวนั้นมันมีศีน กระต่ายกับนกกระทาทะเลาะกันนั้นทะเลาะเพราะอยู่ในพุ่มไม้เดียวกันนกกระทาหาทินงกลางวันแล้วกระต่ายหาทินงกลงคืนกระต่ายนอนอยู่ข้างล่างนกกระทานอนอยู่ข้างบนเพราะนกมานอนสูงกว่ากระตา่ายเวลาขี่ขี่ลถลงมาเนี่นนะถูกกระต่ายเวลานั่ น, เ, นเลยทะเลาะกัน คือก็ตายเข้ามาก็าดีออกไปก็ดีในกนคืนนกกระทาก็าตื่นตกใจนกกระทาที่เข้ามาพักอาศัยในผุ่มไม้ที่ตัวเคยอาศัยแต่ตายมันนอนกลางวันมันก็ตกใจอีกเหมือนกันตื่นเลยเกิดทะเลาะทุ่มเฉียงกันว่าใครเป็นคนผิดกันแน่ ก็ไม่มีใครที่จะตัดศีลให้ก็เลยตกลงกันว่าจะไปหาเสือเท่าตัวนั้นเพราะเสือมันมีศีลมันรักษาศีลหวังงั้นก็นนเลยชวนกันไปพอไปถึงไอ้เจ้าเสือตัวนั้นเสือรักษาศีลแตบบเพียงปากไม่ได้รักษาศีลถึงจิตถึงใจจริงจังก็โดยความหิวโหวยอาหารมานานแล้ว พอเห็นกระต่ายกับนกกระทาทะเลาะกันแถานั้นเขาไปหาไอเจ้าเสือก็คิดจิ่งอื่นแล้วก็เคยกินมาสัตว์อื่นแต่กระต่ายกับนกกระทานี้จนกระทั่งป่านนี้ยังไม่เคยได้กินเนื้อสัตว์เหล่านี้สักทีเราจะทำอย่างไรจะออกกลอุบายแล้วกระต่ายกับนกกระทามาเป็นอาหารเราได้นกกระทา พูดคิดว่าไอ้กระตายมันทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้ฉันตกอกตกใจเวลาฉันนอนอยู่มันก็เข้ามาผุมไม้ทำให้ฉันตื่นไอ้กตายกว่ะนกกระทำอยู่ก็เหมือนกันเวลาฉันนอนมันก็บินออกบินเข้าแล้วขี่ลงมารถที่อยู่ที่อาศัยของฉันไอ้กเจ้าเสือ น, นั้นก็ทำท่า เป็นหูหนวกไม่ได้ยินเอพูดดังๆหน่อยพูดดังเท่าไรไอ้เอจ้าเสือใหญ่ที่มีคนมายาที่อยากจะกินเนื้อทั้งสัตว์ทั้งสองก็ทำท่าไม่ได้ยินขยับเข้ามาขยับเข้ามาหูฟู ห, หูตาเห็นไม่เคยดีนะเพราะอายุแกปวดนั้นก่ตายใจขยับเข้ามาใกล้ๆพูดตัว น, นี้พูดขึ้นตัวนี้สัตว์ตัว น, นี้พูดขึ้นจะตายพูดขึ้นนกกระทาพูดขึ้น <c oughs> ก็ทําท่าไม่ได้ยิน เพาได้จังหวะก่อตะคุบเอาขาหนึ่งตะคุบเอานกกระทาขาหนึ่งตะคุบเอาจะต่ายมาเป็นอาหารนี่แหละเรื่องของเจตนาละเว้นในจิตในใจไม่มีเมื่อเวลาถูกสิ่งที่ตัวต้องการเกิดขึ้นมันอดไม่ได้ศีลในชาบามันไปที่ไหนนี่จิตใจของคนที่รักษาศีลก่อทำนองเดียวกัน เมื่อไม่มีอะไรเกิดเฉพาะหน้าก็ทำถ่ารักษาแต่เมื่อเวลามีสิ่งที่อยากได้มาถีมหมดไปรักษาไม่ได้แบบนี้ไม่เชื่อมีศีลในจิตในใจของตัวเพียงแต่ปากปากเทือศีลเท่านั้นแต่พอไปเห็นอะไรี่ชอบที่ต้องการเข้าก็กโมวยเขาได้ก็ฆ่าเขาได้ก็อทำได้ สิ่งที่ศีลห้ามเอาไว้แบบนี้รักษาแบบนี้อันนี้สงฆ์ไม่ค่อยมีหรือมีกวานิดหน่อยแม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ต้องรักษาถึงจิตถึงใจมันจะเป็นอย่างไรเรารักษาศีลของเราเหมือนกับชีวิตของเราถ้าชีวิตของเรายังมีอยู่ศีลเราจะไม่ขาดไม่ให้ตกไป ชีวของเราหวงเห็นอย่างไรศีลของเราที่รักษาเราก็ห่วงเห็นอย่างนั้นถ้าเรารักษาได้อย่างนี้ศีลมันก็มีอา น, นิสงส์มากในผู้ที่เจตนางดเว้นตั้งหน้าตั้งตารักษาอย่างนั้นการรักษาศีลมันก็มีทั้งขั้นตามขั้นตลางและขั้นปานี้จึงควรรักษาเอาไว้ศีลนี้เป็นทางที่ดีสามารถที่จะนํา ผู้รักษาให้ไปสู่สุคติสามารถที่โดนบันดาลสมบัติทัฒะถานให้เกิดมีขึ้นแต่จิงว่าสีเรนสุคติงยันติสีเลนะโกข้าสมบัติทาอย่างที่พวกเราเคยได้ฟังกันมาผู้ที่รักษาศีลไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่รักษาศีลอย่างเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้รักษาศีลถึงขั้นถึอขีด รักษาศีลท้องตัวบริสุทธิ์ผุดผ่องสมบัติธาตุฐานไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปหาจะต้องมีมาสมบัตรนั้นท่านจึงว่าที่เลนาโพขัดสัมปทาคือนำโพคัชมาให้ยกตัวอย่างครูอาจารย์ในสมัยปัจจุบันที่ท่านพากัน ร, รักษาศีลมีศีลบริสุทธิ์ต่างหน้าต่างตา รักษาจริงๆ จ, จังจังท่านก็ไม่ได้ไปทำนาไม่ได้ไม่ได้ไปค้าขายอะไรไม่ได้ติดไปติดต่อกับใครแต่คนทั่วไปก็เหลื่อมใสศรัท ธ, ธานํำสิ่งต่างๆนัา้ามาให้อย่างหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนเป็นต้นท่านไม่อดไม่จนอะไรมีแต่คนหามาให้เราสิ่งสแสวงหา ทำไม่ได้ยืนขึ้นไม่ได้อยู่ต่อสู้กับการทำงานเพื่ออยากได้สมบัติข้าของต่างๆมาก็ายังสู้ท่านรักษาศีนของท่านไม่ได้สมบัติไม่ทราบว่าอะไรต่ออะไรก็หามาให้ข่านุ่งผ้าห่มยืดที่อยู่ที่อาศัยก็ก็สร้างให้ตลอดถึงหยกยาต่างๆนานาอาหารการขบฉันก็เหมือนกันแพงขนาดไหน เขววาก็หามาให้ขพราจะให้ท่านเนตตารับเท่านั้นสิบกันกับคนที่ไม่มีศีล ท, ทั้งที่อยากได้สมบัติทัศฐานวิ่งเต้นวุ่นวายสแสวงหาแอบประดาตายแต่วามอยู่เป็นอยู่ของตัวนั้นยากจนไม่มีสมบัติเขาของสมบูรณ์อย่างที่ภูจีมีศีล เพ่องอยู่เพีย ง, งกินก็เหมือนกันท่าน6ท่านชั้นของที่มีรสชาติมีราคาสูงแต่เราสแสวงหาแถบร่มแถบตต้เราก็ไม่ค่อยได้ครบได้กินอย่างท่านอยู่ท่านกินให้เพราะเหตุใดเพราะเราไม่มีศีลไม่มีใครที่จะหามาให้นอกจากตัวของเราจะสแสวงหามาได้จะซื้อหามาเท่านั้น จึงจะค่อยได้กินกันแต่ก็ไม่สามารถเพราะของนั้นมันราคาสูงถ้าไปซื้อมาสมบัติ ข, ของของเราก็ น, น้อยไม่สามารถที่จะซื้อมันจึงไม่ค่คยได้อยู่ได้กินข อ, ของดีของดีแต่ผู้มีศีลท่านได้อยู่ได้กินท่านสุขท่านสบายนีเ่เลสลณโพกับสมปทางคือนำทรัพย์สมบัติมาให้ในปัจจุบันท่านตาถ้าหากรักษาศีล บริสุทธิ์ผ่องแล้วมันสามารถคือจะนำสมบัติพัฒสถานต่างๆนานามาให้และไม่มีอะไรกั้นกลางเอาไว้มันหอมไปทุกทิศทุกทาง่านจริงว่าสีระคันโทอนุตตโลกไม่มีกลิ่นอะไรที่จะหอมพุ้งไปทุกทิศทุกทางได้เหมือนกิ่นของถิ่นถี่นี่มีกลิ่นหอมไปทุกทิศทุกทางทั้งใต่ลมทวนลม ไปได้ทุกขนทุกแห่งเราจึงควรรักษาศีนนั้นก็ไม่ใช่ว่ามันอยู่ที่อื่นอยู่ที่กายที่วายชาซึ่งพวกเราพอที่จะรักษาได้ถ้ารักษาได้ดีเข้าของเงินทองสมบัติทรัพย์นมันจะเกิดขึ้นเพราะการมีศีลนีม่มันจะไม่มีศีนจะอยากได้นั่นก็มะเกิดอะไรให้ เพาะไม่มีใครสนใจ <c oughs> ตัวของตัวยังทําตัวหอมไม่ได้ยังมีกลิ่นเหม็นอยู่ก็มีแต่แมลงวันมีแต่หนอนเท่านั้นมันจะมาเป็นทัขพขั้วเกลื่อนฝุ่แมลงผู้แมลงซึ่งมันไม่มาหาของเน่าของเหม็นมันไปหาเกสอนดอกไม้ต่างหานี่เราก็ทํานองเดียวกันอย่าไปคิดใหญ่ไฟฝันอยากจะล่ําจะรวยอย่างนั้นครูบาอาจารย์ท่านเม่อท่านมี อย่างนั้นอย่างนี้เราก็อยากจะมีเหมือนท่านแต่การประพฤติปฏิบัติอาจทมปีมกวดีสมาธิก็ดีปัญญากวดีเราไม่เคยตรวจตาทิ่เรณาในเราเราไม่เคยแต่ทำมําเพ็นให้มันเป็นมันเห็นมันรู้ในตัวมันจึงไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ให้แสวงหาเท่าไรก็ยิ่งห่างไกลจากความจริงไปเท่านั้นนอกจากจะปรับปรุงจิตใจของตัว ให้ตั้งมั่นตั้งหน้าตั้งตารักษาศีลเอาจริงเอาจังตั้งหน้าตั้งตาชำระกิเลสตัณหาภายในให้หมดให้สิ้นไปโดยไม่สนใจกับวัตถุทางนอกเมื่อเราตั้งหน้าตั้งตาจะทำอยู่อย่างนี้ไม่ต้องไปเรียกร้องให้คนภายนอกเขามาเลื่อมใสไม่ต้องไปร้องขอใครให้เขามาทำบุญทุนทาน แต่เท่ว่าอำนาจของความดีที่เรามีอยู่สามารถที่จะชักจูงจิตใจของคนถ่วไปให้เกิดความเลื่อมใสให้เกิดความพอใจในการกระทาของเราฉะนั้นท่านจึงกล่าวในบทธรรมเอาไว้ว่าทมโมอเว ร, รักคติธรรมอาจารีทรรักษาผูกประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว ธรรมโมสุกินโนสุขมาวะหาจิผู้ที่ประพฤติทำดีแล้วทำที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นโอวาทของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พวกเราควรที่นิติเจรณญนานำมาสอนใจของเราตังางนาต่างตาประพฤติปฏิบัติรักษาให้ จิตใจของเราสว่างสบายสงบเย็นเป็นอักเป็นธรรมเมือ่อเราประพฤติปฏิบัติได้อย่างถึงสมบัติสถานจะไม่มีมาคู่ควรจะไม่ศรัทธาเกี่ยวข้องเราก็ไม่เลยงอเ ง, งอนกับใครเพราะใจของเราสงบใจของเราเย็นใจของเราเป็นธรรมนี่มันไม่เป็นอย่างนั้น มันจึงเดือดร้อนวุ่นวายพอเห็นที่ดีกว่าไส้ถือว่าการหลับการนอนการเผลอการเพลินการอยู่การกินการเล่นการคุยเป็นของดีกว่าการที่นิพพย์เจรนารำถือละะาศักระถือวัตถุเข้าของว่าเป็นของดีของดีกว่าการชาระสาสารกิเลสของตัวถ้าไปคิดอย่างนั้นตลอดวันตายก็จะ ม, มีทางที่จะสงบระงับไม่มีทางที่จะสุข จะสบายให้นี่แต่จะเดือดร้อนวุ่นวายทั้งตัวเองและคนอื่นที่เกี่ยวข้องจงพากันที่นี้ิี่เจนารักษาต่างนาต่างชาตประพฤติปฏิบัติอัดทำถี่พระพุทธเจ้าสงสอนถ้าประพฤตถททูกปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่บ่งบอกเป็นพา ย, ยาน ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นมาในทำนองของธรรมในต้องไปแสวงหาในต้องไปวุ่นวายในต้องไปเกี่ยวข้องสุขเกิดขึ้นจากจิบมีธรรมในจะวุ่นวายเดือดร้อนใน่ ม, มีทีเหลยดปัญหาหนาไหนที่จะมาลบกวนใจท่องตัวนี่คือการปฏริบัติ ตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนฉะนั้นขอทุกคนจงพากันตั้งมั่นปฏิพัติปฏิบัติตามอัตตามธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อทุกคนฝนใจนําไปประพฤติปฏิบัติกําจัดสิ่งที่ชั่วบําเพ็ญสิ่งที่ดีให้เกิดให้มีในจิตในใจก็จะพากันมีความสุขความเจริญการอธิบายิธรรมะเพื่อหลพอสมควรถึงเวลาพออยุติเพียงแค่นี้เอวัน